สัมบุตตสนาโมตัสสะปังกวาโตอระหโตสมะสัมบุตตสสะนาโมตัสสะปังกวาโตอระหโตสมะสัมบุตตสสะบุตังสระนังกัจฉามิธรรมสระังกัจฉามิ สังขังสรงนังกัชชามิติอิมัสสะธรมะปริยายษาติอทศุทธายตสัมเทหิสกจังธรรมโมโซตโปติบดีจะได้นำธรรมะมาแสดงชีแจง พอเป็นเครื่องเจริญซึ่งสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแด่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมอยู่น่าสถานที่นี้ต่างก็ได้พากันทั้งอกตั้งใจในการที่จะประกอบ กล่าวคือประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการอบรมกายและวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามํำนองครองธรรมอันได้ชื่อว่าเป็นคำสอน ของพระพุทธเจา้าฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งใจปฏิบัติตนของตนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งเป็นการตั้งใจที่ดีที่งามอันเป็นประโมเบื้องต้นก่อนแต่ที่พวกเราทุกท่านทุกคนจะสระระทิ้งสิ่งที่เป็นนาดีมาสู่สถานที่นี้ จะด้วยเป็นนิจจการก็ดีหรือไม่ใช่ น, นิจจการก็ดีเจตนาดีของทุกท่านจะดำเนินไปเพื่อเพื่ออำนวยประโยชน์โสดทิผลทั้งในปัจจุบันนนชาติหรือในปัจจุบัน พในสัมปรายภพหรือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้แก่มรรคผลนิพพานการพ้นทุกข์ซึ่งเป็นหลักอันเป็นเหตุและผลปรากฏ มีอยู่ในพระพุทธศาสนาประจําชีวิตจิตใจของเราทุกท่านทุกคนนั่นก็ขึ้นอยู่ในความเป็นปัจจุบันซึ่งในขณะนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายต่างก็ได้ปรุงวาง สระภากิจถ้าหากว่าจะหยิบยกย้อนนำมากล่าวสู่กันฟังในที่นี้ก็จะเป็นการเสียเวลาขอให้ท่านเดลลึกนึกถึง สิ่งที่เป็นอดีตด้วยสติของตนไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมมนนามเณรกุบาสกุบาสิกาหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายร้รวนแล้วแต่มีเจตนาดีเบื้องตน้นต้องการบุญกุศลหรือเรียกว่าสร้างและสั่งสมบารมีในทาง คำคำสอนของพระพุท ธ, ธิจ้ให้เจริญยิ่งในตนของตนเราท่านทั้งหลายจึงไม่ได้เห็นและไม่ได้ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งส่วนภายนอกและภายในอุปสรรคภายนอกได้แก่บุคคลสัตว์ดินฟ้าอากาศ ในบางครั้งบางคราวดินฟ้าอากาศก็ไม่เอืดอัหนวยสำหรับพวกเราผู้ฝักไฟในทางธรรมแม่บุคคลและสัตว์ถึงจะอยู่ในวงการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสตร์สนาเหมือนเหมือนกันคือเป็นพระเหมือนกันเป็นเนรเหมือนกัน เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือผู้ปฏิบัติธรรมชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไว้ที่จะทำตนของตนให้เป็นที่ไม่เป็นสปายะต่อมูต่อคณนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดา ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายยังเป็นปุถุชนเป็นบุคคลที่ยังเขา ต, ต่ออัดต่อรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีงามมันจะนำตนของตนให้พ้นจากภาวะ อันจะเป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุอันจะก่อให้เกิดผลเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับเจตนาลมคือความตั้งใจดีงามเบื้องต้นของตนนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายนั้นย่อม ต้องการสิ่งที่เป็นที่พึ่งพักพิงอาศัยเพราะการคนเราได้ที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่พักพาอาศัยพอเหมาะแก่การที่จะทำให้ชีวิตคือความเป็นอยู่ของตน ได้รับผลตามที่ตนพึงประสงค์อันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกภายในเราจะละเว้นจากสิ่งอันเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้โดยเด็ดขาดเราอยู่ในทางโลกเราก็ได้ปัจัยสีเป็นที่พึ่ง สำหรับชีวิตคือความเป็นอยู่ของเราและปัจจัยสี่ก็ย่อมจะเอื้ออำนวยให้ความสะดวกแก่ชีวิตของเราตามสมควรแก่ฐานะและความสามารถปัจจัยสี่ในที่นี้ก็ได้แก่ สุปะพยัญชนะซึ่งเรียกว่าบินดาแปลว่าก่อนข้าวก็หมายถึงสูปะพยัญชนะนั่นเองอันนี้ชีวิตทุกชีวิตจะเว้นเสียไม่ได้แม้เราจะเว้นกันเพียงครู่หนึ่งยามหนึ่งก็ย่อมจะปรากฏความจริงหรือความจริงก็ย่อมจะปรากฏ ประจักแจ้งแกเราผู้ที่ร่วมการของการเว้นสิ่งนี้ไปคือทุกเกิดขึ้นจีวรเครื่องนุ่งห่มได้แก่ผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรากล่าวกันง่ายๆก็เพียงเพื่อปกปิดวัยวะ อนุจาตรตาอยอุจารตาเพราะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงสุดคือมีสติปัญญานั่นก็หมายถึงว่าคุณเครื่องประดับเสริมความเป็นมนุษย์ที่ใจสูงเด่นนั่นกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นก็คือ อิริได้แก่ความระอายโอตปะได้แก่ความหวาดสะดุ่งกลัวในสิ่งที่น่ารายเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั่วโลกถึงแม้ว่าจะอยู่ในแดนไกลนอกขอบเขตที่ทุกประเทศทุกรัฐปล่อยปราละเรย ให้อยู่ตามยถากรรมในเมืองไทยเราอาดีต mm. ก็ได้แก่พวกชาวเขาพวกนี้ไม่มีสมโนขัวถึงจะอยู่ในขอบเขตรประเทศไทยก็ตามหรือประเทศพมา่าลาวเขมินก็ตามเป็นมนุษย์นอกระบบของสังคมคือประเทศของแต่ละประเทศแต่ปัจจุบันนี้ ไม่มีแล้วกำลังจะเริ่มสำรวจยอมรับโดยถูกต้องว่าเป็นมนุษย์ร่วมชาติหรือประเทศเดียวกันและจะพึงได้รับอะไรอะไรจากผู้บริหารประเทศชาติโดยสมควรแก่ฐานะ ถึงดังนั้นมนุษย์ชาติเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่โดยปราศจากเครื่องนุ่มหม่มก็ยังมีสติปัญญาที่จะผิดสรรหาเครื่องนุ่มห่มเพื่อปกปิดอวัยวะอนุจาตตาดังกล่าวทั้งนี้ก็เพื่อแสดงเห็นว่ามนุษย ย่อมมีคุณนลักษณะเครื่องส่งเสริมเมื่อกล่าวเป็นธรรมะได้ แ, แก่ฮิริโอตปาดธรรมประจําอยู่ในจิตสันดานของสัตว์คือมนุษย์ส่วนสัตว์อื่นนอกเหนือไปจากมนุษย์นั่นเขาเป็นสัตว์ที่ไม่พร้อมทั้งด้านสติปัญญาความนึกคิด ทั้งอัตภาพร่างกายที่จะประกอบภารกิจที่ความนึกคิดของเขาคิดขึ้นมาได้แล้วเพื่อผลคือความเมื่ออานวยความสะดวกแก่ตัวของเขาเองในทุกด้านนอกจากจะมีความเป็นอยู่ตามกฎอำนาจของกรรมบันดาลให้เกิดและเป็นอยู่ และก็เป็นไปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายคำว่าผ้าผ่อนท้นสบายก็จึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งเสนาสะนะนั่นก็หมายถึงอันนี้เป็นศัพท์ของพระศาสนาเป็นศัพท์ของพระพุทธเจ้า คำว่าเสนาส น, นะเราก็หมายเอาถึงกุฏิวิหารเป็นแขตเขตแดนอันหนึ่งของบุคคลสังคมหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากรากฐานได้แก่พระพุทธศาสนาอยู่กันแล้วเราสมมุติว่าวัดบ้างสำนักสงฆ์บ้างหรือพี่ ที่พมนักของผู้ปฏิบัติธรรมบัางอย่างนี้เป็นต้นแต่แท้ที่จริงเสนาสนะนั้นหมายถึงที่พักพิงอาศัยของมนุษยชาติทั้งหลายในโลกนั่นเองเรียกว่าบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็คือเสนาสนะ ที่พักผาอาศัยกีฬาหน้าเพศตว์เครื่องรักษาบำบัดบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บอันจะพึงเกิดขึ้นในธาตุในขันเพราะเป็นวิบากกรรมชั่วบัรดาล ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการลิดหลอนบันทอนความสงบสุขของมนุษยชาติตามกดหรือตามหลักของธรรมชาติอันนี้เรียกว่าปัจัจสี่ปัจัจสี่นี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่จำเป็นสำหรับนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมในศาสนา จำเป็นสำหรับสัตว์โรคสัตว์วโรคโดยเฉพาะคือมนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราขาดตกบกพร่องปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ถือว่าชีวิตของเรานั้น <c oughs> <c oughs> มีพื้นฐานเครื่องรับรองชีวิตไม่สมบูรณ์ เมื่อมีพื้นฐานเครื่องรับรองชีวิตไม่สมบูรณ์ชีวิตนั้นก็ย่อมจะขาดตกบกพร่องในเรื่องของความที่จะพึงได้รับความสะดวกหรือความสบายอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถึงมีความจำเป็นสาหรับพวกเราท่านทั้งหลาย พราะนั้นได้กล่าวมาถึงที่พึ่งสำหรับชีวิตของเราผู้ที่อยู่ในโลกไม่สนใจในศาสนาก็มีความจำเป็นด้วยปัจจัยสิแม้พวกเราท่านทั้งหลายก็มีความจำเป็นด้วยปัจจัยสิดอันนี้แหละ เป็นที่พึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่คือยังมีลมหายใจอยู่คือยังไม่ตายตราบใดที่ยังมีลมถึงแม้ว่าวันจะหมดปากทางเดินของอาหารคือช่องคอจะเน่ากระทบกระเทือนไม่ได้ก้นตายตราบใดยังมีลม สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับชีวิตอยู่แบบนั้นส่วนอื่นนอกจากนี้ในแก่ราบยศสนเสริญสุขซึ่งเราจะได้มาจากเหตุและผลต่างๆอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้เกิดขึ้นจากพื้นฐานอันนี้ ทั้งสี่ประการนี้แต่คนเราทั้งหลายนั้นมักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นพื้นฐานรับรองชีวิตของตนเป็นส่วนมากมักจะมองไกลและฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นปกินหน้กกาาในศาสนาท่านเรียกว่าอาติเรกรปัจใจ ปัดใจที่มันไม่จำเป็นเมื่อกล่าวสั้นๆก็ได้แก่เงินและทองหรือของใช้แทนเงินและทองอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าจะพอกพูนมากปัดใจสีจะพอกพูนมากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่รู้สึกอิ่มหมดความกระหายมันก็เป็นหลักธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมดา ของสัตว์โลกที่ยังมีกิรเดซึ่งท่านผู้รู้ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสแสดงไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายโลกคือมูสัตว์ยอ่ อ, อ, ยนน อ, อ, อพร่องอยู่เป็นนิดคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพร่องอยู่เป็นนิจ เป็นนิดเป็นาธาตุของตัณหาดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเพียรพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ดังกล่าวแล้วเพียงใดก็ตามเราก็คงหาความสงบสุขทั้งในส่วนกายและจิตไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราท่านทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่ในสถานที่นี้ถึงเราท่านทั้งหลายอดีตจะเคยถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก้าวคือตันหาเข้าย่ำยีบีทามาอย่างแหลกแหลาดยับเยินเพลี่ยนใดก็ตามเราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าพ้นแล้วถึงเราจะพ้นกันไม่ได้โดยเป็นสมุดเฉดประหารก็ตาม แต่เราพ้นด้วยแนวความความคิดหรือความตั้งใจตลอดถึงความเป็นอยู่เรายังรู้จักการเสียสละหรือปลงวางแม้มันจะเกิดประโยชน์ซึ่งตัณหานั่นจะ ผ, ผลให้อย่างดีงามก็ตามเมื่อถึงยามและววันเช่นนี้การเวลาเช่นนี้ เราก็ได้มาร่วมชุมนุมเพื่อศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำหรือเป็นครั้งเป็นคราวเป็นการลสมัยก็ต่า น, นั่นย่อมสอแสดงให้เราทุกท่านได้เห็นได้รู้ ว่าเราทุกคนมีเจตนาและปฏิบัติทาเครื่องดําเนินในอันที่จะปวดเพื่องตัวของเราอันได้ชื่อว่าเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเต็มจักอิ่มจักพอเป็นธาตุของตันหาดังที่กล่าวแล้วอันนี้ได้ยกหรือชี้เราได้เห็นถึงว่าที่พึ่งภายนอก ขึ้นชื่อว่าที่พึ่งภายนอกนั้นที่พึ่งก็ดีชีวิตจิตใจของเราจะประกอบด้วยอะไรอะไรอะไรมากน้อยเพียงใดก็าตามย่อมมีสภาวะคือความเป็นเหมือนเหมือนกันเป็นที่พึ่งชั่วครู่ชั่วคราวชั่วยามชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่จีรังยั่งยืนคงทนถาวรทั้งตัวของพวกเราทั้งหลายต้องการที่พึ่งคือปัจจัยสี่เราได้ทุ่มเทชีวิตหามรุ่งหามคร่ำไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่อุ ป, ปรสรรคเครื่องกีดขวางใดๆทั้งหลายทั้งปวงเราสามารถที่จะแวก และทำลายวัสดุเครื่องกลางกันการดำเนินชีวิตของเราเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยสี่นั้นยังสุดความสามารถเฉพาะตนเฉพาะตนมาด้วยกันแล้วทั้งสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็ดีตัวเราเองก็ดีปัจจัยสีก็ดีย่อมตกอยู่ในภายใต้ ถูกรอบคุมมรอบงำเข้าไวโดยไม่มีทางที่จะเล็ดลอดให้หลุดพ้นไปได้แม้แต่นิดหนึ่งนั่นคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังตั้งและทนอยู่ในสภาวะือความเป็นอย่างนั้นไม่ได้อนัตตาแต่ พังมาลายไปนี่คือความจริงความจริงเหล่านี้ย่อมมีอยู่ครอบอยู่ในโลกครอบโลกอยู่ท่านจึงเรียกว่าสั จ, จธรรมคือของจริงไม่ใช่ของไม่จริงแต่ของจริงนี้บางครั้งบางคราวไม่ใช่บางครั้งบางคราวละแทบทุกครั้งพวกเราทั้งหลาย ปฏิเสธและพยายามที่จะบิดเบือนทุกทุกอย่างให้มันพ้นไปจากความจริงอันนี้เรามองเห็นทุกสิ่งหรือบางสิ่งก็ตามเป็นของเที่ยงซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่านิจจังเป็นสุข เป็นสิ่งที่คงทนถาวรไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักแก่ไม่รู้ จ, กจัจ ก, ก, จกตายเป็นผู้ฟังทั้งหลายก็อาจจะโต้แย้งคำสุดท้ายนีย้ไม่จริงเห็นตายอยู่ตลอดเวลาจริงอยู่เห็นสัตธรร่เห็ น, หนแต่ความเป็นจริง ภาคของการปฏิบัติหรือสภาพของความเป็นอยู่มันบอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะกล่าวง่ายๆเราทุกคนอยู่ตกอยู่ภายใต้ของคำว่าประมาทคนประมาทก็คือคนไม่รู้นยคนมัวเมาลุ่มหลงหลงอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงสิ่งที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าของตนไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไม่รู้ความจริงสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในตนคือตาของตนหูของตนจมูกดิ้นไก่หัดใจคือใจของตนนี่ถ้าเรารู้สภาพความเป็นอยู่ของเรานั้นจะไม่ผิดเพี้ยนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงเราจะไม่เจตนาผิดเพี้ยนกันตามแต่ว่าการกระทาการพูดการคิดและความเป็นอยู่ของเรานั้นบิดเบือนอยู่ตลอดเวลา เมื่อมันความจริงเป็นอย่างนี้เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเราจะกรบเคลื่อนกันด้วยศีลธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนามาวัดทุกวิทุกวันก็ตามภาวนาทุกวันก็ตามนี่เท่ากับว่าเราเอาพระาศาสนาเป็นเครื่องกรบเกลื่อนบิดเบือนความจริงเพื่อเสริม ความรู้สึกนึกคิดของเราอันเต็มไปด้วยความประมาทหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาสติแปลว่าระลึกชอบสัมมาสติคือระลึกชอบนั้นระลึกชอบอย่างไรและค่อยว่าสู่กันฟังต่อไปอันนี้แหละคือที่พึ่งภายนอก นี้ได้แสดงถึงที่พึ่งภายนอกจนถึงสัจจะคือความเป็นจริงอันครอบงําที่พึ่งภายนอกสิ่งที่เราพึ่งกับทั้งตัวของเราให้เห็นว่านั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจบกันตรงนี้แต่นี่ที่พึ่งภายใน ได้แก่ความรู้สึกนึกคิดคือจิตใจในชีวิตของคนคนหนึ่งคือตัวของเราแต่ละบุคคล น, นั้นมันมีอยู่สองอย่างมีกายกับใจกายคือธาตุใจคือความนึกคิดความปรุงแต่งความนึกเราระลึกอะไรขึ้นมาได้ ทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตทั้งถูกผิดชั่วดีหยาบละเอียดปานกลางทั้งใกล้ทั้งไกลไม่มีประมาณไม่มีคำว่ากลางคืนกลางวันไม่มีคำว่ามืดสว่างไม่มีคำว่าหนาวจัดร้อนจัดหิวแร่อิดขึ้นชื่อว่าความคิด ได้แก่ความระลึกได้แก่ความนึกความคิดความปรุงความแบ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นนั้นว่าไม่มีนี่เรามีกันอย่างนี้มีกายกับจิตกายก็มีที่พึ่งภายนอกดังที่กล่าวแล้วแต่นี่จิต เราจะเรินและด้วยลาบยศนนเสริญเพียบพร้อมและด้วยปัจัจสี่ดังที่กล่าวแม้เราจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากการทุศิลปปราศจากความเมตตากรุณามุติตาอเาุเบกขาเรียกว่าธรรมะแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้อย่างแท้จริงถ้าชีวิตของเรามีความสุดซื่อสัตย์สุจริตต่อกฎหมายต่อพระาศาสนาคือศีลและธรรมแล้วเราได้มาซึ่งปัจจัยสี่ด้วยความบริสุทธิ์ จิตใจเราก็จะพลอยมีความสุขก็เพียงแค่เล็กๆแน่นอนไม่จัดว่าเป็นที่พึ่งที่จะให้ความอบอุ่นหรือเป็นพื้นฐานที่มั่นคงและถาวรคือไม่สาระไม่เกลนสารทำไมจึงว่าไม่สาระไม่เกลนสารก็กล่าวแล้วว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่นิจจัน ทุกขังอนัตตาก็จะพึ่งได้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ไหนเห็นไหมระวังคนปฏิสนธิในคันของมารดาเพียงแต่หนึ่งวันหนึ่งคืนก็ตกล่วงไปเจดวันตกล่วงไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหนึ่งปี สองปีสามปีสิบปียี่สิบปีมีอยู่เต็มโลกนั่นคือแสดงความจริงให้เราเห็นทั้งสิ้นรวน แ, แต่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนจะพึงวางใจได้เมื่อเป็นอย่างนี้จะเราจะเรียกว่าสาระแก่นสารอันเป็นที่พึ่งสาระแก่นสารมั่นคงแก่ชีวิตแก่ร่างกายของเราได้อย่างไร เมื่อเราแตกดับเราจะมีทรัพย์กี่ร้อยล้านพันล้านจะทุกข์มากจะสุขมากเพราะราบยศสรรเสริญเพียรพร้อมไปหมดมันก็จบกันแค่นั้นปิดฉากกันแค่นั้นทุขก็จะหมดแค่นั้นสุขมันก็จะหมดแค่นั้นแล้วก็กรอกองไว้เป็นสมบัติของโลก ไม่แพ้อะไรกับภูเขาถ้าไม่มีคนยื้อแย่งใช่กันมันก็จะทับถมกันอยู่ภูเขาที่มีอยู่ในพื้นโลกคือปฐพีก็จะไม่เท่ากับมนุษย์และสัตว์ที่สแสวงหาระห่วงไว้แล้วก็ตายจากไปทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกเพราะเหตุนี้จึงไม่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันสาระแก่นสาร ไม่จัดว่าเป็นยานพาหนะที่จะเป็นเครื่องรองรับไม่จัดว่าจะเป็นกุสโลบายสำหรับผู้ที่มีชีวิตคือลมให้แจอยู่อย่างพวกเราในขณะ น, นี้เพราะเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสแสวงหาที่พึ่งในทางใจ ก็ในเมื่อปั จ, จัยสีมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งทางใจเสียแล้วเนี่ยแต่นี่อะไรละมันเป็นที่พึ่งในทางใจที่พึ่งในทางใจนั่นะ เ, เมื่อกาวโดยสรุปแล้ว เ, เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนตอยู่พระสงฆ์องค์เจ้าก็าไม่ใช่เป็นธาตุ เพียงแต่ว่าเป็นธาตุที่มีศีลมีธรรมควบคุมบริหารอยู่เท่านั้นเองไม่ช้าก็จะแตกดับไปถ้าเราถึงพระสงฆ์ที่พึ่งอันหนึ่งนั้นก็ได้แก่พระพุทธเจา้าพุทธัทงสารนังกชามิเราขอถึงพระพุทธเจา้าว่าเป็นสารณะหมายถึงว่าเป็นเครื่องระลึก ขรนับถือทำมังสารนังกชามิขอถึงพระธรรมก็หมายถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตที่เสด็จดับขันข้าสู่ปรินิพพานจะนับได้ก็าตามไม่ได้ก็าตามทั้งในปัจจุบันตลอดถึงที่จะมาตรมาเกิดมาตรพระธรรมในนาคกฏการข้างห น, น้า นั่นหมายถึงคำสอนของพบุพติจารเป็นสารณาเครื่องระลึกเคารพนับถือสังฆสารณังกัจฉามิขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่เคารพนับถือนี่ทตนี้เราลองพิ จ, จารณาดทูทิว่าพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดี อันได้ชื่อว่าเป็นสาระที่พึ่งในทางใจของเราได้ น, ะนั้นคืออะไรมีรูปร่างลักษณะแสงสีเป็นอย่างไรหรือเป็นอะไรกันแน่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะพึงพิจารณาศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ พระพุทธเจ้าถ้าจะหมายถึงท่านผู้ดีพระองค์ที่ทรงค้นพบซึ่งธรรมะและก็หมายถึงท่านผู้ดีได้วางหลักแนวทางของการปฏิบัติหรือดำเนินซึ่งเรียกว่าปฏิปทาไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ ท่านก็ย่อมจะมีตัวมีตนมีธาตุมีขันมีอายตนะอยู่ภายใต้พราวะคือความเป็นในนิจังทุกขังนันตาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เพราะพระองค์มีพระว ร, รกายมีธา ต, มาตุมีขันเหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายแล้วตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาตินี้เองพระองค์จึงดับขันเข้าสู่ปรินิพพาน ไปตามบราระหรือคติของความเป็นจริงทีนี้เมื่อพระองค์นิพพานแล้วเราถึงอะไรกันอะไรจึงจะมาเป็นที่พึ่งของเราธรรมวินัยคือคำสอนของพระองค์ที่ได้ทรงตัดหรือแสดงไว้ดีแล้วอันนี้แหละถ้าจะเปรียบหรือจะกล่าว เป็นองแทนเป็นองเป็นศาสาดราแทนพระพุทธเจ้าสืบต่อมาแต่นี่การเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรนะที่พึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราเข้าถึงซึ่งคุณของพระองค์ คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในคําสอนของพระองค์โดยกว้างขวางง อ, อกไปก็ได้แก่มีอยู่9ก้าประการด้วยกันอย่างเราสวดดีดีปิโสภควาตระหังสัมมาสัมพุทธโธ เป็นต้นพระคุณข้อแรกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์หมายถึงพระองค์ทรงไกลจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงซื่งทรงไกลจากกิเลสทั้งปวงนั่นเองหรือท่านกล่าวอีกในหนึ่งระหังเหมือนกับพระองค์ที่หักกงจัก อันที่จะหมุนไปหาที่จบไม่ได้ลงไปได้ก็หยุดหมุนอย่างนี้เป็นต้นนี่เคือพระคุณข้อแรกการถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงคุณของพระองค์นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงคุณอย่างไรเราก็น้อมจิตล้ำรึกนึก รู้เห็นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นคุณทั้งหลายจะย่อโดยย่อก็ดีทั้ง9ประการก็ดีหรือมากกว่า9ประการก็ดีถ้าได้ตํานานของพระพุทธศาสนาหรือว่าสำนวนของนักปราชญ์ ท่านกล่าวรู้แสดงไว้ว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีมากยากแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันจะมาสรรเสริญคุณของกันแรกกันนั้นแต่ละยุคจะมีอายุร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีหกหมืปี8ปดหมื่นปีก็ตา่าง ก็ไม่สามารถที่จะสังวัฒยายคือกล่าวพารณนาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันให้จบสิ้นได้นี่มากมากเหลือที่จะพรณนาได้คุณเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจากเหตุคือปฏิปทาพระองค์ได้ทรง ดำเนินมาก่าวคือปฏิบัติเช่นไรเราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นชาวพุทธก็ย่อมจะรู้จักปฏิปทาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกยุคทุกสมัยที่เราได้เกิดทันศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นๆด้วยกันทั้งนั้นว่าพระองค์ทรงดำเนินอย่างไร ปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติอย่างไรนั่นเอง <c oughs> คำว่าปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงค้นคว้าอย่างไรจึงได้พบธรรมะแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟัง ปฏิปทาเครื่องดำเนินมากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยถ้าเรามีความสนใจในศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ปฏิปทาในปัจจุบันชาติที่พระองค์ได้ทรงตรัสสรูพระนุตรสมาสัมโพธิญาถ้ามากกว่านั้นเราก็อาจจะได้รู้ถึงอดีต ชาติก่อนๆที่พระองค์ยังไม่ได้ทรงเป็นยังไม่ได้ทรงตรัสเป็นพระพุทิเจา้าพระองค์มีปฏิปทามีความเป็นอยู่ในแต่ละภพแต่ราชาตินั้นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามารู้จักปฏิปทาแล้วก็คุณของพระพุทตเจา้า แล้วอย่างไรเราก็มันน้อมจิตลำลึกนึกถึงรู้ชัดเข้าใจดีแล้วเราก็พยายามดำเนินกล่าวคือปฏิบัติกายและวาจาจิตของเราให้เป็นไปนตามปฏิปทานแนวทาง ที่พระองค์ได้ส่งดำเนินแล้วอย่างไรอันนี้ก็หมายถึงว่าก็ม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ส่งบำเพ็ญมาจะเนื่องด้วยทานปรมีศีรปรมีเนคข ม, มปรมีเป็นต้นนั่นแหละคือปฏิปทาการสร้างพระปรมี การสั่งสมพระบารมีจนเต็มเตี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์อันควรแก่การที่เดตัดเกิดมาตัดเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะและก็วางศาสนาไว้ให้แกพ่พวกเราท่านทั้งหลายเราก็เลือกสิ่งที่เป็นโทษ มันจะเกิดขึ้นในทางกายทางวาจารอากุศลที่จะพึงเกิดขึ้นในทางจิตแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสงบระงับยับยัง้งแม่สมุดฐานคือเหตุก่อให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุดไทยเป็นต้นเหล่านั้นใ้กาเริบเสิบสารขึ้นมาเราไม่ต้องการความยิ่งใหญ่ อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระประเจกพุทธเจ้าเราต้องการเพียงเพื่อความบริสุทธิ์กายและบริสุทธิจิตในชาตปิปัจจุบันที่ตนเกิดหวังผลเพียงความหลุดพ้นไปจากเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสน้อยใหญ่พ้นไปจากความทุกข์คือความเกิดความแก่ ความเจ็บความตายความวิปโยคพัดภาคจากของรักของชอบใจและไม่ชอบใจอย่างนี้เท่านั้นไม่ต้องการความยิ่งใหญ่เยี่ยงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเลือกปฏิบัติเราแบ่งการปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัติกันมานักปาราชญ์ทั้งหลายท่านก็สอนแล้ว ทา น, นาคคือการให้ทานท่านไม่ได้สอนให้ให้หมดในการปราบความโลภความอยากซึ่งมันกำเริบอยู่ในจิตของเราอันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งพอให้เกิดความทุกข์พอริ์แห่งความอยากไม่ผิดอะไรกับมนุษย์และสัตว์ที่มีความกระหายคือหิวข้องับห น, นั่น ท่านก็สอนให้ชำระแก้ไขด้วยวิธีการแบ่งให้ไม่ได้ให้หมดและในขณะเดียวกันที่สอนให้ทานก็เพื่อจะทำลายความมัจฉริยะคือตรณีพอให้เกิดความเห็นแก่ตัวสร้างความคับแคบ ในชีวิตคือความเป็นอยู่ในหมู่มวลสังคมของมนุษย์และสัตว์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนั้นก็ไม่ดีฉันตึงสอนให้ทำลายเพราะนั้นการทำทานของเรานั้นพิจารณาดูให้ดีและ ก, ก็ไม่จำเป็นต้องให้หมดและ ก, ก็ไม่ต้องให้ถึงชีวิตยอย่างประพฤติจาา พระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญทานนปารมีให้หมดมีอะไรอะไรก็ให้หมดในที่สุดมีชีวิตพระองค์ก็ทรงให้ชีวิตเป็นที่สุดได้นี่คือทานนปารมีของท่านผู้ที่บำเพ็ญปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพุทธภูมิทุกทุกพระองค์จะต้อง เดินปฏิปทาถึงที่สุดอย่างนี้ทั้งสิ้นนั่นคือปฏิปทาทางสร้างบา ร, รมีในทานบารมีของผู้ที่ปราถนาพุทธภูมิคือต้องการมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่พวกเรานั่นเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้าทรงจัดที่ไหนบ้างว่าให้หมดท่านทั้งร้ายต้องการหมดกิเลสจงให้หมดเคยได้ยินที่ไหนไหม ฐานกาถาแสดงแก่พยาศักยุรบุตรซึ่งเป็นองค์แรกที่มีปฏิปทาหรือบา ร, รมีคล้ายๆกับพระพุทธเจา้าสมัยเมื่อครองคารวาดคือมีความสุขมีปราศา ท, ทั้งสามหลังเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็ไม่ทรงแสด ง, สดงให้สรับ ฐานะธาตุรนาถึงการให้ก็เป็นการสักพอกส่งเสริมจิตใจที่มันขมุกขมอมติดมานิดนิดหน่อยหน่อยแต่แท้ที่จริงพระสารีบุตรนั่นก็มีสัญญาณเครื่องเตือนแล้วโลกนี้วุ่นวายเนอะโลกนี้ทุกเนาะวุ่นวายเนาะนีน่บอกแล้วมีสัญญาณเตือนบอกแล้ว แต่ที่พระองค์ได้ทรงยกโอทานกฐาขึ้นมากล่าวเป็นเก็ตเล็กๆนีดน้อยเพื่อก่อมเกลีสิ่งที่ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับความสกปรกมันก็เป็นขมเหาที่แปดเปื้อนมาไม่มากนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านก็สอนให้แบ่งให้ไม่ได้ให้หมดนี่คือเป็นหลัก เบื้องต้นแต่ส่วนใครก็ต่างสามารถให้หมดได้นั้นก็แล้วแต่ปฏิปทาของแต่ละบุคคลแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละบุคค ล, ล, ล, คคลในเมื่อผู้นั้นสามารถเดินเข้าถึงแดนแห่งธรรมะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพิจารณาให้ดีนั่นคืออะไร อย่างวิสัยศรัทธาของพระโสดาบันผู้ที่ก้าวร่วงพ้นจากโลกียธรรมเข้าสู่โลกุตรรัธร ร, รมปฐมเบื้องต้นของการที่จะเข้าสู่แดนของความพ้นทุกข์มีคติมุ่งหน้าไปสู่ความดับทุกข์คือนิพพานอย่างแน่นอนเป็นนิยตตาบุคคล เป็นบุคคลที่เที่ยงต่อการพ้นทุกข์ถึงแม้จะมีโอกาสเวียนไหยตายเกิดอยู่ในวัฏจัรสงสารอย่างมากที่สุดเจ็ดพพเจ็ดชาติก็ไม่ไปสู่แดนวิสัญญีคือนรกอบยภูมิสี่อย่างนี้เป็นต้นท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ถึงธรรม และศรัทธาของท่านเหล่านี้ก็เป็นอจาราศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแง่นคลอนแค้นเป็นศรัทธาที่เที่ยงตรงมั่นคงและก็เปี่ยมด้วยศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นศรัทธาในปติปทาคือ เครื่องปฏิบัติขัดเกลาดำเนินของมนุษย์หรือพุทธบริษัทก็ไม่ได้มีอะไรมากทานไมศิลระไมภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานสำรวมกายวาจาบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตระคับประคองจิตเพราะฉะนั้น แม้ในวิในพระพุทธเจ้าก็าจึงทรงจัดไว้ห้ามภิกษุเข้าไปสู่ตระกูลของพระเสขคือพระโสดานนี้จะเป็นยิ่งก็ตามเป็นชายก็ตามหมายถึงเป็นกระวะห้ามไปรบกวนด้วยปัจจัยสี่เพราะท่านเหล่านี้มีศรัทธาแก่กล้ายิ่งพระสงฆง์ข้าเจ้าต้องการอะไรให้หมด แม้แต่อาหารมื้อนั้นก็สามารถเสียสละให้แก่พระคุณเจ้าได้เพราะเหตุนี้สาวกของพระองค์ซึ่งยังเป็นปุถุชนมันประกอบด้วยความมักมากขาดสติความยั่งคิดท่านจึงทรงบัญญัติวินยัยเขาไว้ห้ามเข้าไปรบกวนอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็แสดงให้เราเห็นรู้แล้วว่า พระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นไม่วันไหวแน่แน่วถ้าวันไหวก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงคติที่แน่นอนไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยบางครั้งบางคราวก็ภาวนาเอาเป็นเอาตายเสียสระหมดทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่ควรจะเสียสระนี่ก็เรียกศรัทธาบ้า เราจรึงเรียกว่าในวงการปฏิบัติธรรมะก็จะบอกว่าบ้าความจริงไม่ใช่เป็นคนที่ถึงธรรมะอะไรหรอกมันเคลิบฝันไปเท่านั้นเองละเมอเพอพบ ก, ก็เหมือนอย่างเรานอนหลับฝันไปเจตพูรวิ ญ, ญญาณก็เคลิบสนุกสนานไปทุกไปแล้วแต่ภาพเหตุการ์มันจะเกิดขึ้นนี่ผู้ปฏิบัติ ที่เครบเพิมบางครั้งศรัทธาที่โมกแปล ว, ว่ามันน้อมใจเชื่อเ้ยืยองอำ น, นาจศรัทธานะแต่ก็เพราะว่าผู้นั้นมีธรรมะอยู่นะ่ไม่ใช่ไ ม, ม่มีแต่ธรรมะมันชวนหนุนจิตให้เกิดความหลงเพราะขาดปัญญาคือความรู้จริงตามความเป็นจริงไม่ทันกันสติไม่ทันจิตปัญญาไม่ทันสติ อย่างใดอย่างได้โปรดพิจารณาเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเสียสละได้อย่าว่าแต่ทานเลยนะชีวิตก็เสียสละได้นะอย่าว่าแต่ลูกผัวเมียหรือทรัพสมบัติเลยแม้ชีวิตของตัวเองในขณะจิตบางขณะจิตมันก็เสียสละได้นี่ฤทธิ์ของศรัทธาที่ปราศจากปัญญาควบคุม โดยถูกต้องมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละโลกีธรรมก็เป็นได้เราอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นคุณธรรมตัวเดียวกันทั้งนั้นสมาธิอันเดียวกันฌานอันเดียวกันแต่ว่ามันต่างสติปัญญาสติปัญญาต่างกันเท่านั้นแหละนั่นก็หมายถึงว่าสติเครื่องระลึกปัญญาเครื่องรู้ และลึกรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมันไม่ทันกันมันไม่ทัด